สิบนาทีต่อไปนี้นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. ให้ 80 พันษา 5 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์ราชันหมอกสลายที่ปลาย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 ต่อไปหมอกสลายที่ปลายฟ้าขอ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 หมอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 27 ความเดิมตอน โดยเมโร่กับจอร์จกําลังเมา บ้านหลังใหญ่แต่ปิดฝ่ายเงียบเชอะให้ผมเข้าไปข้าง อีกก่อนบุญมันจะได้ไปไหนสิริกาไม่มีบ้านตลาดผมออกรถอ่ะแล้วทําไมครับผมๆผม สงวนไว้ให้แสดงว่าเชื่อใจดาหวานคนเอาแต่จอดรถแช่เอ๊ะใคร แม่อิ่งกับนายจ๊อดไปเปล่าไหนกันนะบ้านก็ไม่ได้ล็อกคุณ ยังไม่กลับจ้ะคุณกิมจูเดินขึ้นมันได้ไปแล้วเห็นไหมพวกจอดก็รออยู่ข้างเอ้ย บ้านทําไงล่ะอยากจะฉลองกันให้เต็มที่ยังไงล่ะอัว อ๋ออะไรนี่วะกลับกลับๆๆๆๆกลับกลับ อ๋อกาเดียกาคุณคิมจูฉันกําลังจะเข้าห้อง แต่พี่จ๊อดแอบดูนะตอน ไปส่งหนูกิมจูมาแล้วเหรอยัยหวานแล้วก็ <c oughs> ถ้าก็น่าจะไปกันได้อย่างมั่นคงขั้นเชื่อใจหรือว่าไม่เออแล้ว ที่กว้างๆราวๆสักใจ ชุมไทยใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด ทำไมบ้างถึงเงียบเชียบอย่างนี้อกกําจองเอ้คิมจูมันคงจะ หว่านายอกคําจองไอ้ เลิกมันล็อกไหมสิมันล็อกมั้ยมันได้ล็อกไว้เตียอ่ะใครจะ ไฉนทำมันล่ะเกียมจูของเจียววะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้เอ็งไอ้จ๊อดนี่กําไรเจ๋งไม่เป็นหรอก หอมกำลังตังใจอ่ะหอมกระตอนไม่ไหวอ่ะเพราะรักคุณนี่ไม่นี่โอ้ยเสียโอ้ยหอม <IS 2> <IS 2> <IS 2> อึ้งทำอีกเป็นเจนเนี่ยไอ้อเจ๊นี่นี่นี่อ๋อคือจะโอ๊ยใช่ใช่ไม่ใช่กับผีตัวนั้นมัน เฮ้ยอยากจะหรือหรือจะทําอะไร อะไรกันน่ะทําไมด่าตาตื่นตกใจอย่างเงี้ยกิมจู แล้วใครโทรแจ้งค่ะรีบ ก็อย่าโตวัยเพราะเป็นคนหญิงส่วนนายตอดก็ถูก เงินไหนลูกชายจะถูกยิงแล้วก็ถูกจับหนักมันก็ต้องอยู่ที่เสียดจิวแล้ว ส่วนตัวเสษฐิ้วเฮ้ยนะเอ้าแล้วเนี่ยครูใหญ่ งั้นเอาเรื่องอะไรดีนี้พี่ก็ต้องๆ คิมจูทำไมอยู่เฉยๆไม่พูดอะไร สิ้นกินโจทั้งกําจ้องถึงทําไม ไม่เป็นอย่างงี้เอาเลยเลวก็แต่คุ้งหมอรับ ให้หายเสียผมจะดูแลท่านเองค่ะเสียผมจะมาคอยดู Oiphink t Enter kiirjaa vai kоз peeglattua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 เปลี่ยนให้โอกาส ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะบินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาสถีรธีระ และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนทฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิพัฒนะดินดา